อวิลาก็ภาวนาดีนะใจมันคลายออกแล้วก็ดูมันเรื่อยๆแต่อย่าไปให้มันอยู่ในความว่างๆให้มันทำงานตอนนี้จิตมันเดินปัญญาได้ดวกปะคือใจที่มันตื่นแล้วมันจะมีสองแบบอันหนึ่งรู้เนืรู้ตัวขึ้นมาเฉยๆไม่เดินปัญญาอันนี้ใช้ไม่ได้อีกอันหนึ่งรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันเดินปัญญา มันจะเริ่มมันจะดูกายดูใจอะไรเงี้ยมันไม่ละเลยจะคอยรู้ทุกไปเรื่อยถ้ารู้ตัวเราก็เฉยเฉยอยู่ใช้ไม่ได้ขี้เกียจขี้คลั้งวันนี้จิตพวกเราโมหะเยอะโมหามีหลายแบบโมหะแบบฟุ้งซ่านไปก็มีใจฟุง้งฟุ้งจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนดูกายก็ไม่ได้ดูใจก็ไม่ได้มองไม่ออก อากาศมันชวนให้มีโมหะเดี๋ยวแดดออกก็หายโรกเนี้ยเช้าๆโมหะมันครอบเอาโม ห, อหมมอนะม อ, มหแบบอีกพวกหนึ่งคือซึมๆไม่รู้เหนือหรือรู้ใต้ขี้เกียร์ี้คล้านซึมเซาอยู่เน้ยมีหลายแบบอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกําลังเลสงสัยสงสัยไปเรื่อยมันจับอะไรก็ได้ไม่มั่นคงเห็นสภาวะไม่ได้โมหะอเว็ศัตรูหัวโจกเลย คนไหนชนะโมหะก็เป็นพระอรหันต์แต่โมหะมันมีหลายเกรดอย่างความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านส่งจิตไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายหรือส่งใจไปคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะอะไรพวกนี้อันนี้ฟุ้งซ่านอย่างโลกโลกฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำความสงบเข้ามาก็าหายชั่วคราวใช้สมถะได้ ฟงสันในธรรมะเนี่ยเป็นอุทธัจจะสังโยชน์ฟงสั้นในธรรมะต้องพระรหันตึงจะหายอันนี้ยากฟุงมีหลายฟุงนะล้วฟงในกามเนี่ยพระนาคาหายแนละ้วฟงในธรรมะต้องพระรหันตึงจะหายเนี่ยโมหามันประนีตนะนละเอียดละ อ, อโมหาอีชนิดหนึ่งที่หัวโจกเลยก็คืออาวิชา ความไม่รู้ความจริงไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ยังคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษอยู่ภาวนาไปพอได้อนาคาจะเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วร่างกายเป็นทุกข์นะแต่ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ยังเป็นของดีของวิเศษนี่เรียกว่ายังมีอาวิชาอยู่ที่ อาารมาหาบัวท่านบอกว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตอวิชชาวนะัตถุของท่านนะจริงๆก็คือผู้ภาวนาพอเข้ามาถึงตัวจิตผู้รู้เนี่ยเพราะยังมีอวิชชาอยู่ก็เลยไปเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวดีตัวพิเศษอย่างรักอย่างหวงแหนอย่างทะนุถนอมอยู่เมื่อยังเห็นขันอันใดอันหนึ่งเป็นของดีของพิเศษนนั้นก็ปล่อยวางขันไม่ได้ปล่อยวางขันไม่ได้นะก็อยู่กับ น, นิพพานไม่ได้แล้วนะถพจากขันก็เจอ โมหานะเป็นเรื่องประณีตมากเลยถ้าชนะอวิชชาแล้วก็ชนะหมดละหัวจกเลยอวิชชาเป็นหัวหน้าโมหะถ้าไม่มีโมหะน่ะตันหาจะไม่เกิดตันหาเป็นตัวโลภะัพอไม่มีโมหะก็ไม่มีโลภะถ้าไม่มีโลภะนะไม่มีความอยากเนี่ยโทสะจะไม่มีมันอิงกันตลอดนะกิเลสทั้งหลายไม่ยอิงกันเป็นช่วงช่วงช่วง อย่างถ้าเรารักในความสุขความสบายเนี่ยพอความสุขความสบายไม่มีนั้นก็เกิดโทสะถ้าเราไม่ได้รักในความสุขความสบายมันก็ไม่มีโทสะเวลาดับกดับไปคู่กันราคากับโทสะเวลาดับดับคู่กันเพราะนอย่างพระนาคามีนะท่านละปฏิฆาได้ท่านก็ละ ก, กามได้ท่านละ ก, กามได้ท่านก็ละปฏิฆาได้เพราะท่านไม่รักในรูปเสียงกลิ่นรสพทถะะ ไม่รักในกรมาธรรมกรมาธรรมคือการที่จิตมันไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะเรียกว่าการมมาธรรมบางคนบอกประพฤติปลอมจรันรนะแต่ใจมีการมมาธรรมเนี่ปลอมจรันรดังปลอยไม่ถึงขาดไม่ถึงทะลุนะแต่ดังปลอยอย่างสชเป็นพระไปคิดถึงสาวนะถามว่าอาบัติไหมยังไม่อาบัติแต่ดังปลอยนะเพราะอะไรเพราะไปคิดถึงกรมธรรม กิเลสมันลึกซึ้งนะกิเลสกิเลสเนี่ยเป็นศัตรูของความสุขความสงบในชีวิตเราเราชอบไปเห็นสิ่งอื่นเป็นศัตรูเห็นคนอื่นเป็นศัตรูนะเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นศัตรูเห็นอะไรอะไก็เป็นศัตรูนะไม่ชอบใจไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าศัตรูร้ายเลยคือกิเลสในใจเรานี่มันแผดเผาทําให้เรา ร, ร้อนตลอดเวลาเลยหาความสุขหาความสงบไม่ได้ ถ้าวันใดสติปัญญาแก่รอบนะมันพน้พนพน้นพ้นไปนะโอ้สบายใจก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นพวกเรามีบุญมีวาสนากันทุกคนนะพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะอย่าดือ้อบางคนดือ้อได้ฟังแล้วก็ดือ้อดื้อแล้วเอาไปภาวนาไม่ไหวนะใจที่อ่อนกับธรรมะใจที่อ่อนกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาต้องเรียน บางทีอาจารย์ถ่ายทอดนะอาจารย์ก็บอกพระพุทธเจ้าสอนมา เ, เราก็เชื่อตามตามกันบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเนะเราก็คิดว่าใช่หลงทําตามไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียนเหมือนกันว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไระถ้ารู้เรื่องอริยสัจนะเข้าใจคําสอนเรื่องอริยสัจเรื่องสติปัฏฐานเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาเนี่ยอะไรนี้ <S <S รู้ไม่ต้องเยอะะรู้เรื่องแค่นี้ก็พอเอาตัวรอดได้รู้เรื่องไตรลักษณ์มีไม่กี่เรื่องหรอกที่จําเป็นต้องรู้ เนี่บใบไม้กับมือเดียวนอกนั้นเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะตัวเป็นแทคกติกเฉพาะตัวคนนี้ทำสมถะแบบนี้แล้วมาต่อวิปัสสนาอย่างนี้คนนี้ใช้สมถะอีกอย่างหนึง่งแล้วต่อวิปัสสนาอย่างนี้หรือคนนี้ขึ้นวิปัสสนาก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังอเงี้ยแต่ละคนแต่ละคนก็มีทางเฉพาะของตัวเองไม่ต้องเรียนแบบกัน บางคนมาถามว่าเมื่อไรหลวงพ่อจะจัดคอสหลวงพ่อไม่จัดคอร์สเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดคอสนะแต่ละคนเรียนหลักของการปฏิบัติเวลาพระพุทธเจ้าสอนท่านจะสอนหลักของการปฏิบัติให้นะลองไปอ่านพระสูตรสิใช่ไหมท่านสอนหลักให้นะเสร็จแล้วท่านก็ไล่แต่ละคนน่าแยกย้ายกันไปโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนี่ภูเขานี่ถ้ำนะไปอยู่ตามลําพังลําพังภาวนาทางใครทางมัน เรียนแบบกันไม่ได้มีอย่างบางคนนะถนัดภาวนากลางคืนกลางวันจะนอนเป็นความผิดไม่ไม่ผิดเลยแต่ถ้านอนทั้งวันทั้งคืนผิดนะถ้าเขาถนัดภาวนากลางคืนกลางวันแค่จะนอนก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยถ้าเราไปจัดคอร์สเราก็บังคับทุกคนต้องภาวนากลางวันเหมือนกันหมดเลยกลางคืนให้พากันนอนเนี่ยบางคนเสียโอกาสนะหรือตอนนี้เขาควรจะนั่งเราก็พาให้เดินเพราะทุกคนต้องเดิน ตอนนี้เขาควรจะเดินเราก็พาให้นั่งเพราะทุกคนจะต้องนั่งอย่างเงี้ยกนขัดขวางการภาวนามากเลยเมื่อเราเรียนหลักให้ได้นะแล้วก็ไปหาที่ภาวนาวที่บ้านก็ได้ไม่มีข้อเกี่ยงงอนนะว่าต้องที่นั้นที่นี่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่การเข้าคอร์สธรรมะอยู่ที่กายที่ใจไปไหนมันก็มีกายมีใจขอให้มีสตนะิมีใจตั้งมั่นมีสติรู้ความมีอยู่ของกายของใจรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจ มีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูเห็นกายเห็นใจมันทํางานจะเกิดปัญญาทันทีเลยว่ากายใจที่ทํางานอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยงั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะธรรมะอยู่ที่กายที่ใจมีกายมีใจที่ไหนก็มีธรรมะที่นั่นะในขณะเดียวกันมีกายมีใจที่ไหนก็มีอาธรรมที่นั่นแหละกิเลสทั้งหลายกรรมชั่วทั้งหลายก็ทําเพราะว่ามีกายมีใจอยู่นี่แหละถ้าไม่มีกายมีใจเอาอะไรไปทําชั่วได้ นะกุศลทั้งหลายก็อาศัยมีกายมีใจนี่แหละไปทําเอางั้นอยู่ที่ว่าเราจะมีสติปัญญาขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเรามีสติขึ้นมานะมันก็ปฏิบัติทำอยู่ถ้าขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติเห็นไหมเราปฏิบัติที่กายที่ใจนะแต่เมื่ออะไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติเท่านี้เองนะมีเท่านี้แหละตอนหลวงพ่อภาวนาก็เหมือนโยมนั่นแหละหลวงพ่อภาวนาสมัยเป็นคารวาัต ได้ เ, เจอหลวงปูดุลตอนนั้นรับราชการอยู่ในสำนักนายกงานหนักงานเครียดมีปัญหาเจ้านายก็ยุ่งในภาวะที่วุ่นวายนะภาวนาของเราด้วยสมัยนั้นชาวชนะ้ารถติดมากเลยมันไม่มีนะรถบนดินรถใต้ดินรถลอยฟ้ารถอะไรไม่มีมีแต่รถยนต์นะรถยนต์กับรถตุกต๊กๆ มีอยู่ถ้าได้ไปไหนมาไหนโอ้ยรถก็ติดลำบากไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ยังง่ายปลุ๊ดปลดปลาดปรดปลาดไปได้ในภาวะที่ที่เราใช้ชีวิตธรรมดาของเรานั่นแหละนะเราภาวานาอยู่ในชีวิตที่เราต้องมีอยู่แล้วเราเป็นคราวาดเราภาวานาในในชีวิตของขราวาดนะถ้ามาเป็นพระเราก็ภาวานาในชีวิตของพระไม่มีอะไรแตกต่างอยู่ตรงไหนก็ต้องภาวานาที่นั้น นี่วิธีภาวนาของหลวงพ่อใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็ต้องตาลีตาลานไปทำงานแนะตื่นมาแต่มืดเลยนะรู้ทันกายรู้ทันใจของเราไปเรื่อยเลยจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขึ้นรถจะทำอะไรนะก็รู้ทันกายรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนหรอกหัดรู้กายรู้ใจอยู่ไม่กี่เดือนก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆนะจิตมันไม่ใช่ตัวเราอะไรๆมันก็ไม่ใช่ตัวเราเข้าใจขึ้นมา ไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งกันบ้านไปส่งเหมือนกันไม่ใช่ไม่ส่งเดี๋สามสี่เดือนไปส่งทีหนึ่งไปบ่อยไม่ได้นะไม่มีสตังค์ค่ารถแล้วก็ไม่มีวันลาอยู่ไกลขึ่งไปสุลินหลวงปู่ก็บอกช่วยตัวเองได้แล้วนะนะถึงพระรัตนตรัยช่วยตัวเองได้ต่อไปไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้ไปได้ด้วยตัวเองแต่เราก็ไปนะ เราไม่เซอร์เหมือนบางคนหลวงพ่อบอกว่าโอ้ดีแล้วช่วยตัวเองพอได้แล้วไม่ได้บอกว่าช่วยได้นะบอกพอได้แล้วคนละเกรดนะหลวงพ่อจะไปได้แล้วโอ้ภูมิใจเราไม่ต้องมาหาหลวงพ่อแล้วเราพอนาเอาเองตกห้วยตกเหวไปเยอะแยะหลายคนบางคนแย่กว่านั้นอีกบางคนนะมันก็นับถือหลวงพ่อนะแต่มันมีทัศนที่พิลึกมากเลยบอกว่าถ้าผมได้ธรรมมาเมื่อไหร่ผมจะมา หาหลวงพ่อตอนนี้ผมไม่มานะผมจะรีบไปปฏิบัติก่อนปฏิบัติอะไรมันยังไม่รู้หลักของการปฏิบัติมันก็ไปล้มลุกรุ ก, กรานอยู่อย่างนั้นแหละนทิฏฐิมานะพาให้เสียงั้นเราอยู่ในเพศคารวะเราก็ภาวนาแบบคารวะภาวานาแบบไหนแบบคราวาเน่ถือศีลห้าไว้ศีลจำเป็นมากนะบางคนดูถูกศีล บางคนหลวงพ่อสอนให้ถือศีลสอนตั้งครึ่งปีไม่สําเร็จนัต้องไล่ไปที่อื่นไม่ไหวละสอนไม่ได้ละอย่างนี้ร้ายเกินไปถ้าไม่มีศีลห้าเนี่ยใจจะไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นเลยไม่มีแรงหรอกเพราะว่าคนที่ผิดศีลเนี่ยนะใจจะฟุ้งซ่านคนที่มีศีลนีใจมันจะสงบฟุ้งยังไงคิดจะฆ่าเขาใช่ไหมแกคิดไม่ฆ่าเนี่ยอันไหนยากกว่ากันไม่ต้องฆ่าใครใช่ไหมไม่ต้องคิดมากคิดจะฆ่าเขาต้องคิดมาก คิดจะขโมยเขาต้องคิดมากใช่ไมคิดจะไปเป็นชู้ขเขาต้องคิดมากเดี๋ยวเมียเราจะเฉือนเราเสียหรือว่าเดี๋ยวผัวคนน้นมันจะฆ่าเราเสีออยอะไรเงี้ยต้องคิดมากทั้งหมดเลยนะจะโกหกก็ต้องคิดมากนึกออกไหมใครไม่เคยโกหกมีใครจะโกหกว่าไม่เคยโกหกไหมหลวงพ่อก็โกหกนะสมัยนู้นนะพอผู้ใหญ่ถามไปไหนมาเปลา่า <c oughs> เพิ่งไฟมาหยอกหยกบอกเปล่าแล้วนะมันอัตโนมัตินะโอ้แต่ว่าคนที่โกหกต้องใช้หน่วยความจําเยอะเพราะงันพวกนี้คิดสร้างสรรค์อะไรไม่ค่อยได้นะเอาหน่วยความจําไปใช้ในการจําไว้ว่าโกหกคนนี้อย่างนี้อย่างนี้ไหมคนไม่โกหกคนพูดความจริงไม่ต้องจํามากคนโกหกต้องจํามากพูดกับคนนี้ไว้อย่างนี้พูดกับคนนี้อย่างนี้นต้องจําให้ได้นะว่าพูดกับเขาว่ายังไง แต่ผู้ชายบางคนนะมันพูดประโยคเดียวกันแต่มันพูดกับผู้หญิงได้ทุกคนประโยคเดียวกันแล้วอย่างนี้ไม่ต้องใช้ความจำํำไปที่ไหนอู้รักคุณคนเดียวเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องจําอย่างนี้โกหกอย่างนี้โกหกมากๆก็ต้องต้องฟุ้งซ่านใช่ไหมไอ้คนที่เราไปหลอกเข้าไว้สองคนมันมาเจอกันเนี่ยเราจะทํำยังไงมันฟุ้งซ่านเช็กกินเหล้าก็ฟุ้งซ่านฟุ้งตั้งแต่หาเงินไปกินเหล้าแล้ว ฟงตั้งแต่จะชวนเพื่อนมากินเหล้านะกินแล้วก็ต้องตีกันบ้างหรือว่าไม่ตีกันนะก็เอออวยวายขาดสติภาวนาไม่ไหวหรอกเนะกิดกินเสร็จแล้วตื่นมาอีกวันหนึ่งปวดหัวหภาวนาลําบากแม้เราถ้าเรามีศีล น, นะใจเราสงบใจเราสบายแม้นมีศีลไว้นนะศีลไม่ได้ถือไว้เพื่อลําบากแต่ศีลถือไว้เพื่อสบายนะถ้าเรามีศีล น, นะแล้ก็ใจเราก็สงบลงมา พอใจเราสงบแล้วนะเราค่อยรู้กายเราค่อยรู้ใจบางคนบอกหลวงพ่อบอกว่าทำสมถะไม่เป็นทำสมถะไม่เป็นตั้งง่ายๆถือศีลไว้ก่อนถ้าศีลของเราเคร่งครัดจริงนะเราไม่ไม่ตำหนิตัวเองได้แล้วนะสมาธิจะเกิดเองใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเองสมัยพุทธกาลนะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาภาวนาไงก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งท่านนทอแท้ใจมากเลย วันนึงนะท่านเอามีดโกนมาปาดคอหอยเลยเชือดคอเลยเชือดแล้วไม่นอนนะไปทอแท้ใจไปยืนพิงพิงอะไรจําไม่ได้พิงปุติหรือพิงต้นไม้ไม่รู้นะก็เชือดคอเลยอันนี้ความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพอ <c oughs> ท่านเชือดคอแล้วท่านก็เสียใจว่าบวชมาตั้งหลายปีนะไม่ได้อะไรกับใครเขาเลยเสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่บวชมาเนี้ยท่านตั้งใจรักษาศีล ศีลของท่านไม่เคยด่งพลอยเลยท่านรักษาอย่างดีเลยเพราะท่านคิดว่าตลอดเวลาที่บวชมานี้นะศีลของท่านไม่ด่งพลอยนะท่านเกิดความสุขขึ้นมาพอจิตมีความสุขปุ๊บจิตตั้งมั่นปั๊บเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบงั้นพอเราคิดถึงคนงามความดีของตัวเองนะใจเราสงบขึ้นมาอย่างเรามีศีลเรามีทานเราให้คนอื่นนะเราช่วยเหลือคนอื่นเลยเนะี่ยเรามีจารคานุสติเรานึกถึงอันนี้ขึ้นมาแล้วเรามีความสุข เรารักษาศีลพอเรารกคิดถึงศีลของเราขึ้นมาเราก็มีความสุขจิตสงบเรียกศีลานุสติแต่ถ้าคิดถึงความดีของคนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเป็นพุทธานุสติสังขานุสติเป็นเทวานุสติอย่างสุ ว, ว่าเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทำความดีมากเราคิดถึงแล้วเรามีความสุขขึ้นมาอย่างนี้นี่เรียกว่าเทวานุสติเห็นไมสมาธิไม่ยากหรอกแค่ถือศีลให้ดีนะ อย่านั่งตำหนิตัวเองนะไม่ใช่ไปเดินไปเตะมดตายไปตัวนะคิดทุกวันเลยใจก็ฟุ้งซ่านทุกวันอย่างนั้นใช้ไม่ได้กนะ็ไม่ได้เจตนาไม่ผิดหรอกนะผิดก็ผิดเล็กน้อยนะให้เล่าให้ฟังที่พระท่านเย็บผ้านะท่านไม่ทันเห็นนะท่านไปแทงเอาตัวเรนตัวไรตายไปตัวหนึ่งนะท่านไม่เห็นนะท่านไปเห็นที่หลังมันตายไปแล้วนะใจท่านสลดไปหน่อยนี่กรรมเล็กน้อย ต่อมาพาท่านอยู่มาจนแก่ได้ตัวเนี้ยไม่ไปเกิดเป็นในพรานท่านเดินไปในป่านะในพรานที่ถือห อ, อกมาท่านเห็นแล้วท่านบาดเสียวเดี๋ยวมันแทงเอาท่านก็เลยหลบไปหยุดหลังต้นไม้หลังพุ่มไม้ในพรานนี่เดินมาเอ้พระหายไปไหนพระคงจะกลัวเราเลยเอาห อ, อกพุ่มใส่ต้นไม้ไปนะกำเล็กน้อยให้ผลนะไม่มีตัวอื่นให้ผลแล้วเหลือตัวนี้ให้ผลนะอย่างนี้เรียกกระตัดตากำนะกำเล็กน้อย งั้นถ้าเราทำพลาดผิดศีลนะลืมมันไปซะแต่ตั้งใจว่าจะไม่ทําอีกแค่นี้พอละที่ผิดผิดแล้วก็แล้วกันไปนะเริ่มต้นเอาใหม่นับหนึ่งใหม่เนะี่ยใจของเราสงบใจเราตั้งมั่นพอใจเราสงบใจเราตั้งมั่นเราหัดรู้กายรู้ใจนี่ถึงขั้นเจริญปัญญาเรามีศีลแลใช่ไหมเรามีใจที่สงบตั้งมั่นนะพอใจเราสงบตั้งมั่นเรามาเจริญปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือความเข้าใจ ปัญญาคือตัวความเข้าใจนะความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ความเข้าใจผิดแลก็ความเข้าใจความเป็นจริงต้องของกายของใจด้วยถ้าเข้าใจเรื่องอื่นไม่จัดว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาถ้าปัญญาแท้ๆเลยที่จะเอาเราตัวเราให้พ้นทุกข์ได้นะต้องเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจทำไงจะเข้าใจความจริงของเขาต้องดูเขาบ่อยๆดูเขาจนเข้าใจเขา เหมือนอย่างเราจะศึกษาพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งเราต้องตามดูเขาบ่อยๆแล้ววันหนึ่งเราเข้าใจเขาว้วเขาจริงๆเขาเป็นยังไงนล้วเราก็คอยตามรู้กายตามรู้ใจบ่อยๆดูอย่างที่มันเป็นอย่าไปดัดแปลงให้มันผิดจากที่มันเป็นอย่างบางคนนะจะดูจิตก็ไปจ้องไว้ไม่ให้คลาดสายตาอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตจะนิ่งผิดความจริงจิตนเหมือนเด็กนะถ้าเราไปถือไม่เร็วเฝ้าจ้องมึงขยับกูจะตี เด็กเครียดเด็กก็กดไว้เฉยๆจิตนี้เหมือนกันถ้าเราจ้องมันตลอดเวลามันจะเครียดมันจะอยู่เฉยๆไม่ยอมกระดุกกระดิกไม่มีไตรรักษณให้ดูเราอยากดูตัวจริงของเด็กนะปล่อยให้มันสนแล้วแอบดูปล่อยให้มันส้นไปแล้วเราก็แอบชำเลืองชำเลืองไปยกเว้นมันจะไปตกน้ําตกท่าจะถูกลดทับตายอะไรก็ค่อยไปดูแลมันจิตนี้เหมือนกันนะถ้ามันยังไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงเราก็ปล่อยให้มันทํางานไปเดี๋ยวมันก็โลบเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรตามรู้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามันกิเลสมันรุนแรงนะมันจะไปตีเขาจะไปฆ่าเขาจะไปผิดศีลอันนี้ต้องไปห้ามมันละไปจัดการไปห้ามมันเหมือนเด็กจะไปตกน้ําตายแล้วก็ต้องไปช่วยมันหน่อยนะถ้ามันไม่มีอันตรายร้ายแรงนะไม่ได้ไปผิดศีลร้ายแรงเราก็ปล่อยให้จิตนี้มันทางานไปปล่อยเด็กคนนี้ให้มันสนไปเคยมีในผลคนหนึ่งนะในผลพลพลเอกซะด้วยมหาหลวพ่อแล้วก็บอกว่าทหารของผมทุกคนเรียบร้อย เวลาผมเดินเข้าไปนี่นะเรียบร้อยหมดเลยบอกท่านอยากเห็นว่าทหารของท่านเรียบร้อยหรือเปล่าท่านต้องแอบดูนะถ้าท่านในพลเดินเข้าไปนะทหารมันเห็นมันเรียบร้อยหมดเลยต้องแอบดูต้องแอบชำเลืองชำเลืองอย่าไปจ้องนี้จ้องนี้มันก็ตัวแข็งหมดจิตนี้เหมือนกันนะอยากดูตัวจริงของมันว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยนะต้องแอบดูมันชำเลืองชำเลืองทาไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็นานๆชำเลืองทิ้ไม่ใช่อย่างนี้นะ อย่างนี้มันไม่กล้ากระดุกดิกเราะฉะั้นอย่าไปบังคับมันถ้าเราไปจ้องตลอดเวลานั่นคือการเพ่งที่หลวงพ่อห้ามจะไปจ้องไว้มันก็เพง่งมันก็นิ่งใช้ไม่ได้นะไม่มีปัญญาหรอกช้ำเลืองดูมันเป็นระยะระยะไม่ใช่ดูตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างไม่ใช่ไม่ให้เผลอเลยถ้าไม่ให้เผลอเลยจะเป็นการเพง่งต้องรู้บ้างเผลอบ้างนะอย่างคุณเสื้อสีฟ้าเนี่ยเผลอเห็น ไ, ไหมรู้บ้างเผลอบ้างไม่ว่ามันหรอก ต้องเห็นอย่างนี้ในที่สุดจะเกิดปัญญาอจิตมันจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตมันจะรู้ตัวสั่งรู้ตัวไม่ได้รู้ตัวแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มันเผลออีกแล้วยังคุณเสื้อสีฟ้าเผลออีกแล้วเห็นหมเนี่ยตอนนี้เริ่มกดแล้วเริ่มกดให้นิ่งแล้วนะเนี่ยเริ่มไปจ้องคนทหารแล้วอย่าไปจ้องใส่มันรู้เล่นๆใช้ชีวิตธรรมดารรมดาการภาวนาจะไม่เครียดถ้าเครียดแล้วก็ทาผิดแน่นอน หน้าที่ของเรานะไม่ใช่ว่าต้องไปทำอะไรหน้าที่ของเราคือตามรู้มันไปจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นงั้นนะเนี่ยเราคอยฝึกเอาน้ำการพอน้าไม่ยากจาไว้นะไม่ยากหน้าที่ของเราที่จะเจริญปัญญานะเรามีใจที่สบายๆนะี่แหละใจที่สงบใจที่สบายนะแล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นดูเขาทำงานไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามันไม่สงบมันไม่สบายก็ここรู้ว่าไม่สงบรู้ว่าไม่สบายมันอยากสงบอยากสบายรู้ว่ามันอยากสงบรู้ว่ามันอยากสบายรู้ลงไปเรื่อยเรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยแล้วมันจะสงบเอง inha. พอมันสงบแล้วคราวนี้เราเดินปัญญาจริงๆได้แล้วเราเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานนะเพฉะนั้นการที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยใจต้องสบายสบายใจต้องสงบใจต้องตั้งมั่น iant. แต่ถ้าใจฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านไป ใจอยากจะสงบให้รู้ทันว่าอยากสงบถ้ารู้ทันเรื่อยๆนะัมันจะสงบเองมันจะสบายเองพอมันสงบแล้วมันสบายแล้วนะเราก็ตามรู้กายตามรู้ใจไปตอนนี้ได้คะแนนะได้คะแนนของการเจริญปัญญาลนะ้นะรู้เรื่อยๆผูววกก้วิยากนทั้งหลายวิยากรนะต้องฝึกตัวเองให้ดีนะถึงจะฝึกฝึกคนอื่นได้งั้นวิยา ก, กรนะดูกิเลสตัวเองไว้ศึกษากิเลสตัวเองไว้ เรียการแต่ละคนก็ยังภาวนาไม่เท่ากันหรอกบางคนก็ได้ดีเยอะหน่อยบางคนก็ดีดีพอประมาณนี่พูดแบบสุภาพนะก็ภาพเพียนรนะกิเลสของแต่ละคนต้องสางเอานะคอยรู้ทันงานหลักของเราคือขัดเกลาตัวเองช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นงานรองเป็นเครื่องอยู่ทำให้จิตมีงานทำนะทำให้ใจมันไม่เฉ่ย งานหลักจริงๆคือภาวนานะอย่าลืมผู้ ว, วิยา ก, ก่อนเลยเครียดไปหมดเลยกลัวคนเขาไม่นับถือ <c oughs> <c oughs> จำไว้นะการภาวนาไม่ยากมีศีลไว้ก่อนนะทำใจสบายๆถ้าเรามีศีลที่ดีเราคิดถึง ใ, ใจก็สบายหรือเราเสียสละนะอย่างบางคนนะพระไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติอะไร พระไปบริจาคเลือดมีหลายองค์ทับไปบริจาคเลือดนี่เรียกว่าจากะเสียสละนะวิธีทำใจให้สงบนะ้นึกถึงเราไปบริจาคเลือดมาหลายทีแล้วใจสงบนะใจสบายแต่ถ้าไปนับนะเราบริจาคไปเท่านี้ครั้งแล้วขาดเท่านี้ครั้งเราจะได้ตาลปัตรจากพระเทพ <c oughs> อย่างนี้หลอยถ้วยนะใจไม่สงบหรอกใจฟุ้งไปอนาคตนะ ในข่าวก็มีตลัปัดให้ด้วยแต่ถ้า เ, าเราบริจากเราสละนะเราก็นึกถึงก็มีความสุขบางคนฉลาดนะบางคนสละร่างกายให้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเวลาจะตายนะก็นึกถึงไปห่วงมันทําไมให้เขาไปแล้วสละไปแล้วตายก็ตายไปนะนี่ภาวนาง่ายนี่แค่เราทําอะไรที่มันเสียสละนะถ้าทำมาสะสมเข้ามานี่ภาวนาง่าย เรามีทานเรามีศีลเราคิดถึงเรื่องที่ดีๆเราคิดถึงตัวเราเองนะแต่คิดถึงกายเช่นรู้ลมหายใจรู้อวัยวะต่างๆเนื้ยกายยาคตาสติมีสติอยู่ในกายเรื่อยๆใจสงบมีสติอยู่กับลมหายใจใจสงบนะมีสติอยู่กับการพิจารณาความตายเราเห็นเลยชีวิตเราใกล้ความตายเข้าไปทุกวันทุกวัน อย่างคนเราไปไล่ตีไล่ต่ อ, อยกันเนี่ยนะเพราะมันลืมไปว่ามันจะต้องตายมันแย่งชิงกันเพราะมันลืมว่ามันจะต้องตายถ้าใจเราเคล้าเคลียรเราคิดถึงความตายใจก็ไม่ต้องดิ้นรนมากนะใจสงบง่ายนะทําความสงบเนี่ยถึงทํากรรมฐานที่ละเอียดประณีตไม่เป็นนะแค่มีอนุสติอนุสติคือมีสติตามรู้เรื่องดีๆเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึง คนที่ดีๆคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจนะคิดถึงความตายคิดถึงนิพพานนะใจก็สงบใจสงบด้วยการพิจารณาด้วยการคิดเอาเป็นความสงบที่ไม่ลึกเกินไปนะพอแก่การทีจ่จะเจริญปัญญาต่อไปใจสงบแล้วเราก็ตามดูกายตามดูใจอย่าไปบังคับกายบังคับใจนะรู้บ้างเผลอบ้างอันนี้นเป็นปกติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคน ฝึกไปเรื่อยๆเห็นวันหนึ่งไม่มีคำว่าเผลออีกต่อไปนะมีสติตลอดเวลาเลยกลางค่ำกลางคืนจะหลับจะนอนนั่นก็ยังรู้สึกตลอดเลยนะสบายแต่ว่าสบายก็ไม่เชิงนะมันเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเป็นนอนก็ทุกข์ล้วนๆเลย <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันสบายยังไงแต่ใจมันสบายแต่กายแนละ้วมันทุกข์เห็นแต่ทุกข์จริงๆเลยนะอ้าวเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์